ทิดามีนามว่าพระสุนทรีอยู่ภูเขาคันธมาศเคยเป็นมารดาของพระมหาสัตว์ในอัตภาพที่เจ็ดพิจารณาดูพระโพธิสัตว์อยู่เป็นนิดด้วยความสิเนหาในบุตรก็วันนั้นนางเสวยทิพยสมบัติมีได้พิจารณาดูพระมหาสัตว์บางอาจารย์ว่านางไปสู่เทวสมาคมเสียดังนี้ก็มี ในเวลาที่พระมหาศัตย์สลบนางพิจารณาดูว่าความเป็นไปของบุตรเราเป็นอย่างไรบ้างเนอได้เห็นว่าพระเจ้าปิละยักษ์นี้ยิ่งบุตรของเราด้วยลูกศร อ, อาบยาพิษให้ล้มอยู่ที่หาดทรายฝั่งแม่น้ำมิขะสัมมาตาพร่ำรำพันด้วยเสียงอันดังถ้าเราจักไม่ไปในที่นั้นสุวรรณสามบุตรของเราจักพินาศอยู่ในที่นี้ แม้พระหัไทยของพระราชาก็จักแตกมานดาบิดาของสามะจักอดอาหารจะไม่ได้น้ำดื่มจักเหือดแห้งตายแต่เมื่อเราไปพระราชาจักถือเอาหม้อน้ำดื่มไปสู่สำนักมานดาบิดาของสุวรรณสามนั้นก็แลกรั้นเสด็จไปแล้วจักรับสั่งว่าบุตรของท่านทั้งสองเราค่าเสียแล้วและทรงสดับคำของท่านทั้งสองนั้นแล้ว จักนำท่านทั้งสองนั้นไปสู่สำนักของสุวรรณสามผู้บุตรเมื่อเป็นเช่นนี้ดาบทดาบสินีทั้งสองและเราจักทำสัจจะกิริยาพิษของสุวรรณสามก็จักหายบุตรของเราจักได้ชีวิตคืนมาจักสุทั้งสองข้างของมารดาบิดาสุวรรณสามจักแลเห็นเป็นปกติและพระราชาจักได้ทรงสดับธรรมเทศนาของสุวรรณสาม เสด็จกลับพระนครทรงบริจาคมหาทานครองราชสมบัติโดยยุติธรรมมีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าเพราะเหตุนั้นเราจะไปในที่นั้นเทพธิดานั้นจึงไปสถิตยอยู่ในอากาศโดยไม่ปรากฏกายที่ฟังมิขสมะตานทีกล่าวกับพระเจ้าปิละยักษราชพระาศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่า เทพธิดานั้นอันตรทานไปในภูเขาคันธมาศมาพาศิทธคาถาเหล่านี้เพื่ออนุเคราะห์พระราชาว่าพระองค์ทำความผิดมากได้ทำกรรมอันชั่วช้ามาดาบิดาและบุตรทั้งสามผู้หาความประทุษร้ายมิได้ถูกพระองค์ฆ่าเสียด้วยลูกสอนลูกเดียวกันเชิญเสด็จมาเถิดข้าพเจ้าจะพร่ำสอนพระองค์ด้วยวิธีที่พระองค์จะได้สุขติ พระองค์จงเลี้ยงดูมารดาบิดาทั้งสองผู้มีจักษุมืดโดยทําในป่าข้าพเจ้าเข้าใจว่าสุขติจะพึงมีแก่พระองค์บรรดาคําเหล่านั้นคําว่ารัญโยะได้แก่พระราชานั่นแหละคําว่าทําความผิดอาคุงกะริความว่าค่าแต่พระราชาผู้ใหญ่พระองค์ได้ทรงกระทําความผิดมากคือบาปมาก คำว่ากรรมอันชั่วช้าทุกกตังความว่าความชั่วใดที่พระองค์กระทําแล้วมีอยู่พระองค์ได้กระทําแล้วซึ่งความชั่วนั้นอันเป็นกรรมลามกคำว่าผู้หาความประทุสร้ายมิได้อทูสกาได้แก่ผู้หาโทษมิได้คำว่ามารดาบิดาและบุตรปิตาปุตตาความว่าชนสามคนเหล่านั้น คือมารดาหนึ่งบิดาหนึ่งบุตรหนึ่งพระองค่าด้วยลูกสรลูกเดียวด้วยว่าเมื่อพระองค่าสุวรรณสามนั้นแม้มารดาบิดาของสุวรรณสามผู้ปฏิพัติสุวรรณสามนั้นย่อมเป็นอันพระองค่าเสียเหมือนกันคำว่าจะพร่ำสอนอนุสิกขานิความว่าจะให้ศึกษาคือจกพร่ำสอน คำว่าจงเลี้ยงดูโปเสความว่าจงตั้งอยู่ในฐานะสุวรรณสามยังความสิเนหาให้เกิดขึ้นเลี้ยงดูมารดาบิดาทั้งสองซึ่งตาบอดนั้นราวกับ ว, ว่าสุวรรณสามข้อว่าข้าพเจ้าเข้าใจว่าสุขติจะพึงมีมันเยหังสุขติสิยาความว่าข้าพเจ้าเข้าใจว่า พระองค์จักพึงไปสุขติเท่านั้นด้วยประการชนิ้พระราชาทรงสดับคําของเทพทิดาแล้วทรงเชื่อว่าเราเลี้ยงมารดาบิดาของสุวรรณสามแล้วจักไปสู่สวรรค์ทรงดําริว่าเราจะต้องการราชสมบัติทำไมเราจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองนั้นทรงตั้งพระหรุไทยมั่นทรงร่าไรราพันเป็นกําลัง ทรงทำความโศกให้เบาบางเข้าพระหฤทัยว่าสุวรรณสามโพธิสัตว์สิ้นชีพแล้วจึงทรงบูชาสรีระของพระโพธิสัตว์นั้นด้วยบุพชาติต่างๆประพรมด้วยนา้ำทำประทักศินสามรอบทรงกราบในฐานะทั้งสี่แล้วถือหม้อน้ำที่พระโพธิสัตว์ใส่ไว้เต็มแล้วถึงความโทมนัสบายพระพักทางทิศทักศิลเสด็จไป พระศาสดาเมื่อทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่าพระราชานั้นทรงเครื่อครวญอย่างน่าสงสารเป็นอันมากทรงถือหม้อน้ำบายพระพักทางทิศทักษิณเสด็จหลีกไปแล้วแม้โดยปกติพระราชาเป็นผู้มีพระกําลังมากทรงถือหม้อน้ำเข้าไปสู่อาสมบทถึงประตูบนนารรณศาลาของทุกุลบัณฑิต ดุดบุคคลกระแทกอาสมให้กระเทือนทุกุลบันดิตนั่งอยู่ภายในได้ฟังเสียงฝีพระบาทแห่งพระเจ้าปีละยักษราชก็นึกในใจว่านี้ไม่ใช่เสียงแห่งฝีเท้าสุวรรณสามบุตรเราเสียงฝีเท้าใครหนอเมื่อจะถามจึงกล่าวคาถาสองคาถาว่านั่นเสียงฝีเท้าใครหนอเสียงฝีเท้ามนุษย์เดินเป็นแน่ เสียงฝีเท้าสามะบุตรเราไม่ดังท่านผู้นิรทุกท่านเป็นใครหนอสามะบุตรเราเดินเบาวางเท้าเบาเสียงฝีเท้าสามะบุตรเราไม่ดังท่านเป็นใครหนอบมันดาคำเหล่านั้นคำว่ามนุษย์เดินเป็นแน่มนุษย์สัตว์เสวะความว่าเสียงฝีเท้าที่มานี้ไม่ใช่ของราชสีเสือโครงเสือเหลือง ยักและกินนอนเป็นต้นเป็นเสียงฝีเท้าของมนุษย์แน่แต่ไม่ใช่ของสุวรรณสามคำว่าเบาสันตังหิได้แก่เงียบคำว่าเดินวัชชติได้แก่ก้าวไปคำว่าวางหันยติได้แก่วางเบาพระราชาได้สดับคำถามนั้นทรงดำริว่า ถ้าเราไม่บอกความที่เราเป็นพระราชาบอกว่าเราฆ่าบุตรของท่านเสียแล้วท่านทั้งสองนี้จะโกรธเรากล่าวคําหยาบกับเราเมื่อเป็นเช่นนี้ความโกรธในท่านทั้งสองนี้ก็จะเกิดขึ้นแก่เราครั้นความโกรธเกิดขึ้นเราก็จะเบียดเบียนท่านทั้งสองนั้นกรรมนั้นจักเป็นอกุศลของเราแต่เมื่อเราบอกว่าเราเป็นพระราชา ชื่อว่าผู้ที่ไม่เกรงกลัวย่อมไม่มีเพราะฉะนั้นเราจะบอกความที่เราเป็นพระราชากนทรงดำริชนี้แล้วทรงวางหม้อน้ำไว้ที่โรงน้ำดื่มแล้วประทับยืนที่ประตูบรรณศสาลาเมื่อจะแสดงพระองค์ให้ฤาษีรู้จักจึงตรัสว่าเราเป็นพระราชาของชาวกาศีคนเรียกเราว่าพระเจ้าปิละยักษ์ เราละเว่นแควนเที่ยวสแสวงหามารึกเพราะความโลภอันหนึ่งเราเป็นผู้ฉลาดในธนูศิล์เรื่องลือว่าเป็นผู้แม่นยำนักแม้ช้างมาสู่รัศมีลูกศรของเราก็ไม่พึงพ้นไปได้ฝ่ายทุกูละบันดิตเมื่อจะทำปฏิสันฐานกับพระราชาจึงทูลว่าข้าแต่มหาบาพิตรพระองค์เสด็จมาดีแล้วอันหนึ่ง พระองค์เสด็จมาดีมิได้เสด็จมาร้ายพระองค์ผู้มีอิสระเสด็จมาถึงแล้วขอจงทรงทราบสิ่งที่มีอยู่ในที่นี้ข้าแต่มหาบาพิษเชิญเสวยผลมะพร้าวผลมาหาดผลมะสางและผลหมากเมาอันเป็นผลไม้เล็กน้อยขอได้โปรดเลือกเสวยผลที่ดีดีเถิดข้าแต่มหาบาพิษถ้าทรงพระประสงค์ พอจงทรงดื่มน้ำซึ่งเป็นน้ำเย็นนำมาแต่ซอกเขาเนื้อความของคาถานั้นได้กล่าวไว้แล้วในส ต, ติคุมะพระชาดกแต่ในที่นี้คำว่าแต่ซอกเขาคิริคับพ ร, ราท่านกล่าวหม้ยเอามิคสัมมตานทีเพราะมิคสัมมตานทีนั้นไหลมาแต่ซอกเขาจึงชื่อว่าเกิดแต่ซอกเขา เมื่อดาบททำปฏิสันฐานอย่างนี้แล้วพระราชาทรงคิดว่าเราไม่ควรจะบอกว่าเราฆ่าบรของท่านเสียแล้วดังนี้ก่อนทำเหมือนไม่รู้พูดเรื่องอะไรอะไรไปก่อนแล้วจึงบอกทรงดำริดังนี้แล้วจึงตรัสว่าท่านทั้งสองจักสุบทไม่สามารถจะเห็นอะไรอะไรในป่าใครเล่าหนอนำผลไม้มาเพื่อท่านทั้งสอง ความสะสมผลไม้น้อยใหญ่ไว้โดยเรียบร้อยนี้ปรากฏแก่ข้าพเจ้าว่าดูเหมือนคนตาดีสะสมไว้บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าไม่สามารถนาลังความว่าท่านทั้งสองตามืดไม่สามารถจะมองเห็นอะไรอะไรในป่าได้คำว่าใครเล่าหนอนาผลไม้มาเพื่อท่านทั้งสองโกนุโว พละมาหาริความว่าใครหนอนำผลไม้น้อยใหญ่มาเพื่อท่านทั้งสองคําว่าความสะสมนิวาโปความว่าการเก็บคือสะสมผลไม้น้อยใหญ่ที่บริสุทธิ์ดีซึ่งควรที่จะรับประทานที่ทำไว้อย่างเรียบร้อยคือโดยในโดยอุบายโดยเหตุนี้คําว่าเหมือนคนตาดี อันนันทัดเสวะความว่าย่อมปรากฏคือเข้าไปตั้งไว้แกเราเหมือนคนตาดีทำไว้ทุกกุลบันดิตได้ฟังดังนั้นเพื่อจะแสดงว่ามูลพลาผลตนมิได้นำมาแต่บุตรของตนนำมาจึงได้กล่าวสองคาถาว่าสามารถหนุมน้อยรูปร่างสันทั์มีกัลยาณธรรม เกษาของเธอยาวดำเฟื้ยลงไปปลายงอนช้อนขึ้นข้างบนเธอนั่นแหละนำผลไม้ม า, มาถือหม้อน้ำจากที่นี่ไปสู่แม่น้ำนำน้ำมาเห็นจะกลับมาใกล้แล้วบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าสันทัศนาติพระหาความว่าไม่สูงไปไม่เตี้ยไปคำว่าปลายงอนช้อนขึ้น สุนักคะเวลิตาความว่างอนขึ้นเหมือนปลายมีดเชือดเนื้อสำหรับสับเนื้อกล่าวคือมีปลายงอนขึ้นคำว่าหม้อน้ำกมันดลุงได้แก่หม้อคำว่ากลับมาใกล้แล้วนะธทุระมาคโตความว่าเข้าใจว่าบัดนี้พ่อสุวรรณสามจากมาใกล้แล้ว คือจากมาแล้วสู่ที่ใกล้พระราชาได้ทรงสดับดังนั้นแล้วจึงตรัสว่าข้าพเจ้าได้ฆ่าสามะกุมารผู้ปฏิบัติบำรุงท่านเสียแล้วผู้เป็นเจ้ากล่าวถึงสามะกุมารผู้งดงานหน้าดูใดเกศของสามะกุมารนั้นยาวดำเฟื้อยลงไปปลายงอนช้อนขึ้นเบื้องบนสามะกุมารนั้นข้าพเจ้าฆ่าเสียแล้วนอนอยู่ที่หาดทราย เปะเปื้อนด้วยโลหิตบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าได้ค่าอะวะทิงความว่าข้าพเจ้ายิงด้วยลูกศรสำหรับยิงมลึกให้ตายแล้วคำว่ากล่าวถึงปรปเวเทธะได้แก่พูดถึงคำว่านอนอยู่เสติความว่านอนอยู่บนหาดทรายริมฝั่งมิขะสัมมาตาที